บทภาชนีติกานิสักียาปาจิตตีร้อยสามสจีวันที่ใช้เขาให้ทอภิกษุสําคัญว่าใช้เขาให้ทอต้องอบัตินิสักียปาจิตตีจีวันที่ใช้เขาให้ทอภิสูตไม่แน่ใจต้องอบัตินิสักียาปาจิตตีจีวันที่ใช้เขาให้ทอภิสูุสําคัญว่าไม่ได้ใช้เขาให้ทอต้องอบัตินิสักียปาจิตตี ทุกทุกกฎจีวอนที่ไม่ได้ใช้ขเขาให้ทอภิสูตรสำคัญว่าใช้เขาให้ทอต้องอบัตทุกกฎจีวอนที่ไม่ได้ใช้เขาให้ทอพิสูตไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎจีวอนที่ไม่ได้ใช้เขาให้ทอพิสูตรสำคัญว่าไม่ได้ใช้เขาให้ทอไม่ต้องอบัต